วันนี้เป็นวันมงคลไม่ใช่ เ, เพียงเพราะว่าเป็นวันพร ะ, ะที่สําคัญกั่นั้นคือว่าเป็นวันที่พวกเราได้พร้อมใจกันมาทําบุญทั้งเจ้าภาพทั้งวิสหายมาทําบุญด้วยการถวายทานนะ ร, รักษาศีลแล้วก็ฟังธรรมในขณะนี้นะการฟังธรรมนี้ก็ถือว่าเป็นบุญนะอย่างที่พระสวดมาสักครู่นี้ว่าธรรมสาวนังเอตัมกาเลนัธรรมสาวนั ง, เ อ, เ, นะรรนงเอตัมมังกะรุตมังแปลว่าการฟังธรรมตามการนะ เป็นมงคลอันสูงสุดการทําบุญก็เช่นเดียวกันนะทำบุญได้ทานเนี่ยเมื่อกี้พระก็สอนว่าทานนั้นจัดคือการบำเพทานที่เรามาร่วมกันทําบุญกันในวันนี้นะก็เพื่อให้ขอสิริมงคลนะในโอกาสที่จะได้เรียกว่าทาพิธีเปิดบ้านมาทำบุญบ้านนะเป็นการทําบุญอย่างเป็นทางการนะที่จริงก่อนหน้านี้คงจะทําบุญกันอยู่แล้วนะ เพราะว่าในระหว่างที่อยู่บ้านนี่ก็ใช้บ้านนี้ในการที่จะบำเพ็ญทานสิ่ภาวนาห น, นึ่งกุศลแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เศษเหมือเพราะว่ามีการนิมนต์พระมาะด้วยนิมนต์พระมาะเพื่อรับสังฆทานและขณะเดียวกันท่านก็สวดนะมนเพื่อพระปริสพรบปริสนี้เราเชื่อว่ามีอํานาจในการคุ้มครองให้ปลอดภยัยจากอันตรายกลายจากความสุข เพราะว่าเป็นคำตรัสของพระเจ้าหรือเป็นคำสารเสริญคุณพระตนตรัยนะเมื่อเราได้ฟังพระสวดพระปริตนะก็ทําให้เกิดศรัทธาในพระตนตรัยนะกาดเจริญกันอย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าอํานาจหรืออนุภาพของพระปริตนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนําความสุขความเจริญมาให้เกิดขึ้นกับผู้จีวร า, ายนี้ ภูงในงคือทำให้เกิดสิริมงคลขึ้นอย่างก็ตามสิริมงคลที่เกิดขึ้นในวันนี้นะต้องอาศัยนะการดูแลหล่อเลี้ยงนะให้ ย, ยั่งยืนเพราะว่าสิริมงคลที่เกิดขึ้นจากการที่พระมาสวดหรือการที่เราถวายทานในวันนี้เนะี่ยมันยังเป็นสิริมงคลที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวนะเพราะว่าทุกอย่าง ตามกฎอนุจรังแล้วแม้แม้จะเป็น้องดีนะมันก็ไม่เทียบแต่ล้วก็ต้องดูลแลนะให้เกิดสลีปมงคลอย่างต่อเนื่อง<ม>เปรียบเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยเรามาเอาต้นไม้มานลงเอาต้นไม้มานลงเนป็นต้นกล้าแล้วเราก็เอาน้ํามารดแล้วก็ปรวนดนีใส่ปุ๋ยเราทำอย่างดีเลยนะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเราไม่ทำอะไรกับต้นไม้นั้นเลยนะต้นไม้นั้นก็คงจะโตจะเจริญงอกงามไม่ได้ก็ค ง, คงจะแรกแรงนะเราลงต้นไม้ ด้วยความใส่ใจในวันนี้แล้วเนี่ยภูมินี้เราก็ต้องรดนะ้ํามือือนี้เราก็ต้องรดนะ้ํำเราต้องรดน้าทั้งปีนะต้นมาถึงเจริญงอกงานมะแล้วก็แผ่กิกานสาขาทําให้เกิดความร่มเย็นแก่ผู้ทว่าศัยสรีมงคลก็เช่นเดียวกันนะสรีมงคลที่เราบำเพญในวันนี้เนี่ยนะมันก็ต้องการการดูแลนะบำรุงนะอย่างต่อเนื่องนะเพื่อว่าจะทําให้สรีมงคลนั้น เ, เตจเจริญงอกงาม กลายเป็นต้นไม้ใหญ่นะที่แผลปรับรักษานะถ้าไม่เกิดความร่มเยน็นไม่ใช่ร่มเย็นทางกายเท่านั้นแต่ว่าร่มเย็นทางจิตใจด้วยนั่นหมายความว่าเราก็ต้องหมั่นทําความดีนะอย่างอย่างต่อเนื่องทําความดีเรื่อยไปใช้บ้านนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ที่เราจะทําความดีทั้งในแง่การให้ทานและการรักษาศีลแล้วยิ่งถ้าเราใช้บ้านนี้เป็นสถานที่สําหรับการจเจริญภาวนาก็ยิ่งประเสริฐ ยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามันจะทำให้ผู้คนที่อยู่ในบ้านนี้นะอยู่ร่วมกันอย่างพาสุยิ่งถ้าเรามีธรรมะสี่ข้อที่เรียกว่าคารวสาราะสัธรรมคารวะสรธรรมเนี่ยนะก็ได้แก่สัจจะนะความสัตย์ซื่อความซื่อตรงนะไม่นอกใจไม่โกหกรลอกลวงนะสุจริตด้วยประการต่อมาคือจารจารก็ที่เราคุ้นเคยกับคำว่าบริจาคนะหมายถึงการแบ่งปันนั่นเอง เมื่อคนที่อยู่ในบ้านมีอะไรก็แบ่งปันกันนะแบ่งปันทั้งความสุขแล้วก็ทั้งอาหารปัจจัยสี่ไม่เก็บไว้คนเดียวอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นเครื่องสมานใจนะให้เป็นอย่างเดียวกันแลวต้องมีขันเตด้วยนะเพราะว่าบางครั้งอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันไม่ว่าในบ้านหรือที่ทำงาน ก, ก็ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบางทีก็พูดคำ จ, จาก็อาจจะหลุดปากออกไป แมนะ่ใจรักใจปรารถนาดีแต่ว่าอาจจะพูดไม่เพราะนะพูดทุ่นๆก็ก็ต้องมีความอดทนอย่าไปอย่าไปหวังนไว้หรือไปอมองในแง่ร้ายหรือแม้บางครั้งถูกรารมนะสาโถมใส่นะแต่ฝ่ายหนึ่งสงบเย็นก็ทำให้ความขัดแย้งนี้ไม่ลุกลางก็อยู่ได้กันได้อย่างสันติสุข ข้อสุดท้าคือธรรมะธรรมะเนี่ยราหานะแปลว่าการฝุกใจนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความที่มีความหมายภูมิทั้งหมดนะนะการภาวนาการรักษาสีเนี่ยหรือว่าการให้ถานมันก็มีส่วนในการฝุกใจฝึกให้ใจนะสงบถืกให้ใจนะกนะว้างนะให้ใจมั่นคงหวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวนะเราสร้างบาง น, นี้นะด้วยเอ่อให้มั่นคงแล้วนะ บ้านนี้นมันคงมากนะแต่ว่าถ้าว่าใจเราไม่มั่นคงแล้วน ะ, ะมันก็จะไม่มีความสุขได้อย่างแท้จริงใจเลยต้องมั่นคงยิ่งกว่า อ, อาคารหรือบ้านอลังนี้เสีอกนะเพืจะอยู่ได้มีความสุขนั่หมายความว่าแม้บ้านเนี่ยจะจะย่อบแยกนะเพราะว่าอายุมากนะหรือว่าเป็นบ้านไม้นะ ทำด้วยฝาทำด้ไม่ไผ่แต่ว่าถ้าจิตใจของผู้คนในบ้านนั้นน่ยอยู่อย่างมีความมั่นคงนะไม่หวันไหวง่ายๆนะต่อลมปากต่อโลกธรรมแปนะโดยเฉพาะโลกธรรมฝ่ายลบก็คือความเสื่อมลาาเสื่อมยศนะหรือว่าทำริมคาหรือว่าความทุกข์ความลำบากจิตที่ไม่จิตที่ไม่วันไหวนะต่อความพลุ่งพลุนแปลกเหล่านี้เนี่ยก็สามารถจะแผ่แรงสีแห่งความสงบเย็น นะให้ผู้คนที่ใกล้ได้สัมผัสได้ถึงแม้จะเป็นบ้านหลังเล็กนะแต่ว่าผู้คนก็มีความสุขนะยิ่งถ้าได้บ้านที่มีความมั่นคงแ น, ะน่นหนาซึ่งเพือํานวยให้ไม่มีความวาดระแวยส่งนะเสริมให้เรื่ความรู้สึกมั่นคงพอได้ใช้บ้านนี้ในการทําความดีทั้งทานสิภาวราก็ยิ่งประเสริฐเข้าไปใหญ่ คนนี้ก็ให้เราตระหนักอีกเพิ่มเติมด้วยว่ า, าบ้านเนี่ยที่มั่นคงแข็งแรงเนี่ยจำเป็นนะสำหรับการช่วยปกปักรักษาร่างกายให้ปลอดภัยนะแต่ว่าเราจะมีแต่บ้านที่เป็นอาคารก่อด้วยอิฐอย่างเดียวไม่พอนะเพราะว่านั่นเพียงแค่รักษากายของเราเท่านั้น ยังไม่ใช่บรักประกันว่าจะทำให้ใจเรานะร่มเย็นปลอดภัยไกลาจากความทุกข์ได้เราต้องมีบ้านของใจด้วยต้องใส่ใจนะในการที่จะสร้างบ้านให้กับจิตใจของเราด้วยบ้านของใจเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าเราไปไหนเนี่ยเราก็สามารถจะอบอุ่นนะมั่นคงได้เพราะบ้านของใจจะตามติดต่อไปทุกที่ทุกเวลาถ้าบ้านที่เป็นอาคารนะ หรือเป็นไม้เนี่ยหรือก่อด้วยอิฐ ก, ก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะแพงแค่ไหนนะมันก็เคลื่อนย้ายไม่ได้มันไม่สามารถจะตามเราไปได้เราไปเมืองนอกนะเราไปวัดบ้านก็ไม่ได้ตามเราหลายคนจะรู้สึกว้าวเวนะเมื่อออกจาก บ, บ้านเมื่อไม่ได้อยู่บ้านเมื่อไกลบ้านเนฉะนั้นที่ไปทําความดีนะเช่นบางคนมาวัดมาปฏิบัติธรรมแต่ก็รู้สึกว้าเวเพราะไกลบ้าน อันนี้ก็แสดงว่าเขายังไม่มีบ้านสำหรับจิตใจเราจะต้องมีบ้านให้กับใจของเราด้วยนะเพื่อที่เราจะ อ, อยู่ได้อย่างปลอดภัยบ้านของกายเนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะถูกเผาถูกทำลายนะบางทีอายุมากก็เสื่อมไปเผลอเจอแผนดินหลเข้าไปก็พัง ร, ระเนระนาดสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นที่ประเทศ ในปานหรือแม้แต่ประเทศที่เจริญนะมีบ้านมีตึกหลังใหญ่นะพอเจอแผ่นดินไหวก็พังพลุลงมานะมันไม่แน่ไม่นอนนะมันมันอ่อนปลอกนะแต่ว่าถ้าบ้านของใจแล้วเราเรักษาดีดูแลดีแล้วเนี่ยนะไม่มีใครจะมาทำร้ายไม่มีใครจะมาไม่มีอะไรจะมาทําให้ผ่อนคลาได้ง่ายๆบ้านของใจนี่นะนะสิ่ ง, งที่มันก็คือการ ก็คือสติความรู้สึกตัวถ้าเรามีสติความรู้สึกตัวเนี่ยก็หมายว่าใจเราเนี่ยมีที่พักพินมีที่อาศัยนะมีฐานที่มั่นคงเราอยู่ที่ไหนใจเราก็อบูนนะแม้อยู่ในป่านะก็ไม่ถูกครองนงำด้วยความหวาดกลัวเวลาทำงานความวิตกกังวลก็ครอบงา รังควาจิตใจไม่ได้เพราะว่าเรามีสติเรามีความสุขตัวช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันนะช่วยทาใหนะ้ไม่มีภัยใดๆที่จะมาผู้ขามจิตใจได้แม้ว่ากายจะเจะป่วยนะอันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของสังขารนะแต่ว่าใจก็ยังสงบเป็นปกติได้นะก็ะมีบ้านนะที่คอยรักษาใาใจมันปกคนทุกวันนี้เนี่ยนะใจเนี่ยนะ เหมือนกับคนไร้บ้านคนทุกวันเนี่ยใจมันคนไร้บ้านก็คือระหกระเหินเราเห่เร่ร่อนและบางทีก็กระชั่งกระเซิคนอยู่นี่ก็เลยรู้สึกว่าอ่อนไหวง่ายหรือว่ารู้สึกว่าเวะหรือว่ารู้สึกขาดความมั่นคงหลายคนมีบ้านที่ใหญ่โตแต่จิตใจข้างในเนี่ยไม่มีความมั่นคงเพราะว่าใจเขาเนี่ยไม่มีบ้านที่แท้จริง ใจเนี่ยออกไปท่องเที่ยวนะไม่มีที่พักพิงแค่ให้อยู่นิ่งๆเนี่ยก็อยู่ได้แค่ประเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแล้วนะไปแล้วไปอดีตบ้างไปอนาคตต้องแล้วก็มักจะไปคว้าเอาเรื่องเอาความทุกข์กลับมาให้กับตัวเองนะไปนึกถึงในการนอดนะีที่เจ็บปวดนะที่รัดวราวไปนึกถึงความสูญเสียนะของรักของหวงเกิดความอาลัยเสียดายเกิดความเอาวรนบางทีเกิดความแพ้น นะบางคนนะเรื่องผ่าไปสามสิบปีแล้วความแค้นก็มันยังย็งกเมือนกระาสดอยูนะ่เวลาพูดเวลาคุยก็พูดแต่เรื่องความแค้นความเจ็บปว ด, ดนะที่ที่เกิดขึ้นสมัยยังสาวยังหนุ่มนะอันนี้เรียกว่าเห็นพอใจเนี่ยนะมันยังไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีสติที่จะช่วยเป็นที่พักทิ่งที่อิงอาศัย หรือว่าเป็นฐานให้กับจิตใจที่จริงธรรมะข้ออื่นก็สามารถจะเป็นบ้านให้กับใจได้นะแต่ว่าถ้าหากปราศจากสติความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยนะให้คุณธรรมข้าหรือ ก, ก็เกิดขึ้นได้ยากแม้แต่เราจะทําความดีนะเราจะสร้างบุญสร้างบุญศนแต่ถ้าเกิดเราไม่มีสติความรู้สึกตัวนี่เราก็ถูกยิ่ง่ายนะจะไปทําบุญถวายพระแต่ว่าเข้าคิวเยอะเหลือเกินเมื่อไหร่จะเข้าถึงท่านทักทีตัวความบุ อ, อีกขึ้นมา อันนี้ไปเร um, ียกว่าแทนที่ได้บุญกับได้บาสนะเพราะว่าไม่มีความสึกตัวไม่รู้ทันความบุญที่เกิดขึ้นถวายพระแล้วเบอกว่าของที่เราถวายไม่ทันถึงมือพระไปอยู่ที่ไหนไม่รู้โกรธเกิดความโกรธเกิดความผวดมัวอันนี้ก็เรียกว่าขาดสติขาดความสึกตัวบางทีถวายแต่พบว่าคนอื่นก็ถวายมากกว่าเราถวายน้อยกว่าเขาก็รู้เสียใจนะ อันนี้เป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทําก็อยากจะได้หน้าได้ตาพนะอให้ความคิดแบบนี้คลองใจพอทำบุญแได้ทำน้อยกว่าเขาเขาก็รู้สึกว่าเสียใจอันนี้ก็เรียกว่าได้บุญน้อยนะเพราะว่าขณะที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทําด้วยสติหรือความรู้สึกตัวหรือว่าไม่มีสติรู้ทันความคิดที่เข้ามาคร่องงาใจหรือว่ากิเลสที่เข้ามาปุ่นแต่งจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเราทำบุญในวันนี้นะนอกจากการทำบุญให้กับบ้านนะที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะก็อย่าลืมนะสร้างบ้านให้กับจิตใจของเราจะทำให้เราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะอยู่ทุก ท, ที่ก็มีสุขเป็นอะไรก็ไม่ทุกอยู่ทุกที่ก็มีสุขเป็นอะไรก็ไม่ทุกหรือเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทุกนะนี่ก็ว่าเรามีทำเป็นเครื่องรักษาใจ และพอและแม้กระทั่งถึงเวลาที่เราต้องละจากโลกนี้ไปนะเราก็ไม่มีความทุกข์นี้มาเสียดาไม่มีความอะไรเพราะจิตใจมั่นคงอึงสม่ำเสมอแล้วก็ข อ, อนิโมนนธนาะทันจภาพนะแล้วก็มีสหายที่มาร่วม อ, อนิโมธนาแล้วก็ร่วมทำ บ, บุญในวันนี้นะก็ขออ้างอิงคุณขออ้างคุณก็ศิริธรรมนัตไตรนะตลอดจนอ น, นิสงสารบุญที่เราได้ทํา ทานวดีปัจจุบันแะหนักต้จงอเมืองประโยชน์ให้ทุกท่านโดยเพรา ะ, ะท่านเจ้าภาพมีพรที่ร์แมีสหายได้มีอายุวันณาสุขภรรยาให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อจะได้ประกอบตุนงามความมีให้เจริญนอกงานที่ดีขึ้นไปในเขตแต่เพื่อเพื่อเพื่อุนกคน็กคือเพื่อบุปคลธรรมบำรุงศาสนาแต่ยังสามารถสร้างประโยชน์ตน ให้เข้าถึงความสุขที่แท้มีบ้านที่รักษาใจให้มีความสงบมั่นคงที่จะนำพาตนและปรอบครัให้ได้เข้าถึงความสุขที่เกษมสารมีมักผลมิพพาพจากที่หมายด้วยการเป็นเพื่อกสาธุ